ใครที่เราไว้ใจได้มากที่สุดกขาบอกว่าทั่วไปแล้วก็บอกพ่อแม่นะเป็นคนที่เราส่วนมากไว้ใจได้มากที่สุดพ่อแม่มีโลภะโทสะโมหะเรายังไว้ใจขนาดนี้เลยนะพระพุทธเจ้านี่ไม่มีราคะไม่มีโทสะ ไ, ไม่มีหะโมหะพระองค์ไม่หลอกลวงใครทั้งนั้นแหละโปรง่งวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตพภาษทั้งหลายทุน่นทั่วทุกหน้าเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่ควรไว้วางใจที่สุด เพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ทรงรอบรู้ทรงรู้แจ้งสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมเป็นความจริงอย่างนั้นจริงๆเราไม่ต้องลังเลสงสัยในคุณของพระองค์รอกทีนี้ต่อไปนะตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นปหาดภะธรรมะที่ควรละนี่นะธรรมะที่ควรละก็คือธรรมะอันอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยสัตว์ไม่ใช่เฉพาะตันหาอย่างเดียวเท่านั้นที่ควรละแม้แต่อากุศลอย่างอื่นอย่างอื่น เนี่ยนะอกุศลจิตทั้ง 12, สิบสอเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดโลพะโทสะโมหะมานะทิทิวิจิกิจชาตีนมิธาอุทะจะอะหิริกาอโนตปะเนี่ยนะอากุศลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยควรละทั้งหมดเนี่ยนะชื่อว่าปหาตปธรรมธรรมะเหล่านี้ที่ควรละอย่างนี้พระองค์ก็ละได้หมดแล้วหรือว่าพระองค์นี้ตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นสัจชิกาตพระ ธรรมะที่พึงทําให้แจ้งได้แก่นิโรธหรือพระนิพพานพระนิพนพานนี้พระองค์นี่ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองทั้งหมดเลยเห็นไหมพระนิพพานเนี่ยอยู่ที่ไหนพวกเรานี่มีนิพพานไหมมีไหมนิพพานอยู่ที่ไหนรู้ไหมโยมบางคนนี่ก็บอกว่านิพพานอยู่ในร่างกายของเราเนะี่ยจริงหรือเปล่าไม่รู้นะงนั้นสบายเลยถ้ามีอยู่ในกายเรา ในร่างกายของเรามีสัจจะกี่อย่างเคยคิดไหมชีวิตของเราเนี่ยมีกี่สัจจะยมเทว์ยมมุ่ดดีกว่ า, าฟังธรรมตั้งนานแะล้วร่างกายชีวิตของเราทั้งหมดเลยมีสัจจะเท่าไหร่อริยสัจมีสี่นะหนึ่งทุกสองทุกขสมุทยัยสามทุกขนิโรธสี่ทุกขานิโรธถาคำมีนิปฏิปทาชีวิตของเราทั้งหมดเลยนะตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ย ทั้งรูปทั้งนามทั้งจิตทั้งเจตสิกทั้งรูปพวกนี้นะได้สัจจะเท่าไหร่เท่าไหร่นะมีสองสัจจะนะหนึ่งทุกษะสัตต์สองสมทุทัยสัตต์สาธุมีสัจจะสองเท่านั้นแหละควรกําหนดรูป ก, กับควรละเท่านั้นแหละมรรคสัตต์เนี่ยเกิดได้ยังมีแต่มรรคปัจจัยอ่ะ นะที่เป็นเหตุให้ไปสู่สวรรค์สู่นรกอะไรเนี่ยปัจจัยพวกนี้มีอยู่แต่ว่าอริยมรรคยังไม่เกิดถ้าผู้ใดมีอริยมรรคเกิดขึ้นผู้นั้นก็เห็นพระนิพพานผู้นั้นต้องเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเติข้างในก็ไม่มีแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยสมุทัยเห็นไหมทีนี้พระองค์นี้ตรัสรู้ทําให้แจ้งพระนิพพานถามว่าพระนิพพานเนี่ย ในร่างกายของเราไม่มีเลยเนาะหาไม่เจอเลยนะตั้งแต่หัวจรวดเท้าในความคิดทุกๆความคิดก็ไม่มีนิพานผสมอยู่ในนั้นเลยเอางั้นแล้วนิพานจะไปหาที่ไหนขับรถไปตามหาไหมนั่งเครื่องบินไปตามเลยนั่งจรวดนั่ง f อฟบหกนั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินขับไล่ติดตามหานิพานให้พบเลยนะหาให้ว่อนไปให้หมดเลยหามีไหมเอางั้นนิพานก็ไม่มีสิ ข้างนอกก็ไม่เจอข้างในก็ไม่มีแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยต้องเอาว่านิพพานคืออะไรนิพพานคือความสิ้นโลภะธรรมะที่สิ้นโลภะโทสะโมหะที่จริงนิพพานเนี่ยนะมาจากนินิแปลว่าไม่มีพานเนี่ยนะมาจากวเวนเนี่ยนะาา ว, ว, นนยนะวานะวานะเป็นเครื่องร้อยรัดนิแปลว่าไม่มีไม่มีเครื่องร้อยรัด คำว่าเครื่องร้อยรัดเป็นชื่อของตันหาธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเรียกว่านิพานอ้าวแล้วอยู่ที่ไหนลหละละตันหาได้ที่ไหนนิพานก็อยู่ที่นั่นแหละแต่ละด้วยอริยมรรคเนะไม่ใช่ละด้วยด้วยมหากุสลธรรมดาอริยมมรรคเจริญขึ้นบริบูรณ์เมื่อไรก็จะแทงตลอดพระนิพานเมื่อ น, นั้นแหละ แต่ทีนี้ถ้ามีคำถามว่านิโรธสัตว์เนี่ยคือการสำรอกตัณหาถ้าจะสำรอกตัณหาบรรลุนิโรธเนี่ยสำรอกที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจถ้าจะละตัณหาก็ละตรงที่นั่นแหละอะไรบ้างเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกนี้นะที่จริงเรารักข้างในกับข้างนอกก่อนเรารักอะไรมากที่สุดอนะไรนไฟไหม้บนหัวเรากั บ, บนหัวคนอื่นดับไฟใ้ก่อน เราก่อนแสดงว่ารักพังในมากนะยกตัวอย่างนะสิ่งที่เรารักเราชอบใจนะเขาจะอุปมาว่าโอ้รักเหมือนแก้วตาก็แสดงว่ารักตานี้มากนะตองนะแสดงว่าตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกหูก็เป็นที่รักนะเรารักตารักหูรักจมูกรักเ้นรักกายแล้วก็รักจิตใจของเราเนี่ยมากสิ่งเหล่านี้เป็นที่รักที่ชอบใจในโลกโลกคือชีวิตของเราเนี่ยนะตาหูจมูกเลนกายใจนี่แหละที่เรารักหวงแหนทะนุถนอมมาก ความรักเป็นชื่อของตัณหาใช่ไหมตรงเนี้นะถ้าจะละตัณหาละที่ไหนก็ละที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แหละละได้ยังไงก็ละด้วยปริญญาสามนั่นแหละละด้วยตั้งแต่ยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปะหานะปริญญาในตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้บริบูรณ์นั่นแหละจึงจะละได้เพราะนิโรธสัตว์ก็ จะว่าอยู่ข้างในร่างกายมันก็ไม่ใช่จะเวนจะว่าอยู่นอกไปติดตามหาก็ไม่มีไอเจะว่าไม่มีก็ไม่ได้เพราะภระริยะท่านบรรลุแต่บรรลุยังไงบรรลุด้วยการใคร่ครวญพิจารณากายนี้นี่แหละทั้งนา ม, มากายและรู ป, ปรกายทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลินรสที่อยู่ในชีวิตของเรานี่แหละท่านใคร่ครวญจนรอบรู้สิ่งเหล่านี้หมดท่านก็ละกิเลสละตัณหาได้หมดท่านก็เลยบรรลุ พระนิพพานฟังดูก็ไม่ยากนะักแต่ว่าแม้ทาแล้วกว็ปีแล้วปีเล่าไปยังมืดเท่าเดิมเลยนีแต่ไม่เป็นไดรนะเข้าใจคําสอนมากเท่าไหร่ก็จะเข้าใจพระนิพพานเท่านั้นแหละถ้าเข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็จะเข้าใจพระนิพพานเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่ต้องไปถามหาที่อื่นนะนิพพานนี่เป็นนิโรธอริยสัจพระองค์บอกว่าพระองค์ประชุมอริยสัจลงในร่างกายของเรานี่แหละ และต่อไปนะพระองค์ตรัสรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นพาเวตพระธรรมะที่พึงเจริญธรรมะที่ควรเจริญนั้นได้แก่มักษัตร์มักสัตต์นี้นับว่าเป็นธรรมะที่ควรเจริญอริยมรรคนั้นมี8ดอย่างนะโดยชื่อนี่ก็คงจาได้กันหมดแล้วเนะหนึ่งสัมมาทิฏฐิ 2. สองสัมมาสังกัปปะสาม สัมมาวาจาสี่สัมมากรรตะ5สัมมาอาชีวะหสัมมาวายมะ7สัมมาสติ8สัมมาสมาธิสมาธิฐินี้แบ่งออกเป็น2อย่างทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาสังกปะก็ในยะเดียวกันคือแบ่งส่วนที่เป็นโลกิยะและโลกุตระถ้าสัมาธิฐิที่เป็นโลกิยะนะได้แก่กรรมมัสกตาสัมมาธิฏฐิ เป็นต้นกมมามสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิอันนี้เป็นโลกิยะส่วนปัญญาที่ในอริยมรรคแทงตลอดอริยสัจอันนี้เป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะสัมมาสังกัปะเนี่ยนะโดยโลกิยะก็คือมีสมอย่างก็คือเนคขมมสังกัปะ อพยาปาทะสังกปะแล้วก็อวิหิงสาสังกปะเนี่ยนะอันนี้ระดับโลกิยาถ้าระดับโลกุตระก็สังกปะในคือมีนิพานเป็นอารมณ์นั่นเองวิตต ก, กะที่ปรารพพนิพาน <c oughs> ส่วนสัมมาวาจานั้นถ้าระดับโลกิยะก็คือเป็นกุโซลสีเนี่ยนะที่งดเว้นจากวจีทุจริตทั้งหลายแหละ แต่ถ้าในขณะโลกุตระก็มีพระนิพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นสัมมากรรมตะก็เว้นจากกายกรรมความชั่วทั้ง3ประการแต่ถ้าขณะโลกุตระก็มีนิพานเป็นอารมณ์สัมมาชีวก็เว้นจากอาชีพที่ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตแล้วก็ในระดับโลกิยะถ้าระดับโลกุตระก็มีพระนิพานเป็นอารมณ์สัมมาวายามะเนี่ยนะเพียรสอย่าง ในระดับโลกิญานี่เพียรเพื่อละบาปละกุศลเพียรเพื่อระวังบาปากุศลไม่ให้เกิดขึ้นเพียรเพื่อเจริญกุศลเพียรเพื่อพอกพูนพัฒนากุศลให้มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าระดับโลกุตระก็เพียรแทงตลอดพระนิพพานถ้าสัมมาสตินี่นะเบื้องต้นก็เรียกว่าสติปทานที่เป็นไปในเบื้องต้นคือพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมะถ้าระดับสูงสุดก็ มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนสัมมาส ม, มาธิก็เหมือนกันถ้าระดับโลกิยะก็เป็นเพศฌานทั่วไปแต่ถ้าระดับโลกุตระก็เป็นฌานที่ในมัคคจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้พึ่งเป็นธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยพระองค์ได้เจริญหมดแล้วแทงตลอดแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ที่ว่าโอโหอรหังมานั่งเลยไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกนะเวลามีคนมากล่าวถามอย่างงี้ทำนั้นแหละเราก็ไม่ได้เอาไปเพ่งเอาไปไข้ครวนตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุคคลที่เราไม่ค่อยสนิทคุ้นเคยกับพระ อ, องค์เลยเนี่ยนะเมื่อเทียบถึงคนทั่วไปนี่นะนา ย, ยกรัฐมนตรีของไทยเรายังพอนึกๆึกออกเลยใช่ไหมว่าเขาทางานอะไรเขาไปยังไงอะไรยังไงแต่พระพุทธเจ้าเราก็ได้แต่ศรัทธา เนี่ยนะสายตายโอ้พระองค์นี่ดีจริงๆถ้าหากว่าคนนอกาศาสนาเขามาถามว่าดียังไงพระพุทธเจ้าเนี่ยนับถือกันเหลือกเกินว่าคนดีคนดีเขาดียังไงบ้างเขาทําอะไรให้เราบ้างเอ๊ะชกกักกัเลยนะงั้นอย่าคุยเรื่องนี้เลยคุยเรื่องอื่นนะก็คือเราไม่ไม่เข้าทราบซึ้งในคุณของพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราทราบซึ้งคุณของพระองค์นะเวลามีคนมากล่าวถามอย่างเงี้เท่านั้นแหละโอ้ได้ช่องเลยก็เหมือนกับคนผู้มีพระคุณของเราเนี่ยนะ ยกตัวอย่างนะใครที่ชอบอมีลูกมีล้านหรือมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรารักมากชอบมากนั้นมีใครมาพูดถึงหน่อยเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือเราพูดหมดเลยเพราะอะไรเพรเราประทับใจเราติดใจเรานึกออกมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วเราก็ควรที่จะทําความรู้ทําความเข้าใจทําความคุ้นเคยว่าเออพระองค์นี้มีคุณงามความดีมีคุณธรรมอย่างไรบ้าง อีกระยะหนึ่งนะคำว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยนะ เ, เมื่อกี้เลยเนี่ยทั้งต้นเลยนะทั้งห้าข้อเนี่ยในคาพีมัชฌิมนิกายมัชฌิมัชิมปันนาทเนี่ยนะในเสรสูตรที่พระองค์ได้ตรัสว่านะข้อความตอนหนึ่งนี่อยู่ว่าธรรมจักอันไม่มีจักอื่นยิ่งกว่า เป็นจักที่เราประกาศแล้วสารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้พรามสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเรารู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแล้วสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพราม ท่านจงกำจัดความสงสัยในเราจงน้อมใจเชื่อเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนืองเป็นการได้ยากความปรากฏคือความเกิดขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองเนืองเป็นการหาได้ยากในโลกแลพราหมณ์เราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เชื่อลูกสอน คือตันหาเป็นต้นเนี่ยนะไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครเปรียบเทียบย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนาแห่งมารทำค่าศึกทั้งปวงให้อยู่ในอำนาจไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนบันเทิงใจอยู่อันนี้ก็เป็นข้อความสั้นๆที่พระองค์ได้ตัดกับเสลพรามนะที่เอามาอ่านให้ฟังย่อ จากข้อความตรงนี้นี่แหละในวิสุทธิมรรคเป็นต้นท่านก็ยกข้อความว่าพระองค์นี้ตรัสรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรอบรู้ธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรทำให้แจ้งและธรรมะที่ควรจเจริญเพราะความที่พระองค์ตรัสรู้ยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่มีผู้แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนเลยพระองค์จึงชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม่เราก็น่าจะได้บ้างเนาะแต่ไม่ได้บารมีมันต่างกันไอของจักขโคและจักขโคสมุทัยนะั่นแหละเรียกว่านิโรธอริยมรรคข้อปฏิบัติที่ทํานิโรธให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าจักขโนิโรธคารมินีปฏิปันนึงเพราะว่าพระองค์ตรัสรู้โดยชอบและด้วยพระองค์เองซึ่งธรรมะทั้งปวงเขาบอกว่าโดยยกขึ้นทีระบททีระบทเช่นจักขโคอย่างงี้นะ ธรรมะที่หลักๆที่ออกมาคิดก็คือเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละทีนี้สงเคราะห์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ลงอริยสัจเลยนะจากขุเนี่ยนะตานี้เป็นทุกขสัจอย่างนั้นเถอจากขุสมุทัยตัณหาในการก่อนที่เป็นเหตุให้จากขุเกิดเรียกว่าสมุทัยสัจจากขุนิโรธความไม่เป็นทั้งความไม่เป็นไปในความไม่เป็นไปของจากขุและจากขุสมุทัยนี่แหละเรียกว่านิโรธอริยมรรค ข้อปฏิบัติที่ทานิโรธให้แจ้งนั่นแหละเรียกว่าจักขุนิโรธาคามินีปฏิปทาซึ่งเกล่า ว, ว่าจักขุเป็นทุกขศาตร์เหมืนัันถอะนะจักสูนี้เป็นสัจจะไม้สัจจขุนี้จริงไหมจริงแต่ความจริงของจักสูนี้เป็นทุกขษัตร์คำว่าทุกนี่นะก็บอกว่ามาจากทุบวกขังใช่ไมอ่าทุนี่แปลว่าไม่ดี ขังนี่แปลว่าว่างเมือนอากาศนั่นแหละของไม่ดีว่างจากคูนี่มีจริงนะแต่ว่าว่างจากความงามว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขและก็ว่างจากอัตตาในนั้นไม่มีอัตตาสักอย่างเลยในจากโซนี้แต่จากโซนั้นมีจริงก็บอกว่าที่ว่าจากโซว่างจากความงามเนี่ยนะยังนึกถึงโสพาเถรียะโสาเถรีเนี่ย เขมีนักเล่นเจ้าชู้เข้าไปจีบนะโอ้ยบอกว่าแม่คุณเอ้ยทําไมตางามอย่างโน้น ง, งามอย่างนี้นะเชิญชมงามต่างๆจนถึงกับว่าชวนชวนนางโซภานี่นะโซภาเถรีเนี่ยให้ศึกทีนี้นางก็ฟังอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถามว่าเออที่รักรักเนี่ยรักอะไรบอกว่ารักดวงตาเขาว่างั้นทีนี้นางก็บอกว่ารักจริงเลยโอ้ยก็เชิญชมใหญ่ตาอย่างโ น, งาางน้นตาอย่างงี้เสร็จแล้วนานทงทงย โอ้โหขอโทษขอโพยขอขามาใหญ่โตโตั้งอันนี้ไปเลิกแล้วงตอนหลังนางก็ได้ดวงตาคืนเป็นพระเทรีรูปหนึ่งที่อันนะที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคนมาจีบวัางงั้นเพราะฉะนั้นให้ตาไปที่ว่างรักจริงๆกัททำไมไม่เอาใบแล้วเนาะก็บอกโอ้ยิ้มแล้วฟันสวยมากเดี๋ยวถอดฟันปลอมให้เลยตีนึงเอาว่งเอาไงเอาแล้วเพราะฉะนั้นมันมัน มีจริงไหมจริงแต่ว่าไม่ได้มีความงามความสวยความยั่งยืนอัตตาสาระแก่นสารอยู่ในนั้นอะไรหรอกแต่สิ่งนั้นมีจริงเพราะเป็นสัจจะนั่นแหละเรียกว่าความจริงแต่ความจริงที่ว่างจาก ว, ว่างจากความงามว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขแล้วก็ว่างจากอัตตาที่ภาลชนคิดกันขึ้นแต่ก็เป็นความจริงนะมีอยู่จริง เกิดตามอำนาจของปัจจัยมีแล้วก็หามีไม่แต่ว่าปัจจัยหลักๆสําคัญก็คือตันหาที่มีมาแต่พบก่อนซึ่งเป็นตัวก่อให้เกิดโดยความเป็นมูลเหตุแห่งจกักขคูนั้นเป็นจกักขคูสมุทยัยอะไรรู้ไหมที่เป็นเหตุให้เรามีตารู้อยังสาเหตุที่ให้มีตานเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตันหาที่มีในพบก่อนที่มีในชาติก่อนๆ น, นั่นแหละเขียนแบบนั้นเลย แต่ว่าสรุปแล้วว่าเหตุที่ทำให้มีตาก็คือความยินดีในสีในภาพที่เห็นทั้งหมดเลยนะอตัวยินดีตัวนั้นแหละเป็นตันหาที่ยินดีในสีนั่นแหละลืมตามเมื่อไหร่และชอบสีนะชอบภาพที่เห็นทั้งหมดเลยความที่เรายินดีในสีนี่เชื่อไหมว่าสร้างตาใหม่ละถ้าเรายินดีในภาพในชาตินี้นะแสดงว่าเราสร้างพระตาใหม่ในภาาต่อไป แต่จะได้ตางามเท่ากับชาตินี้หรือไม่ก็ดูถ้ามักโกรธก็ตาเขเก็ได้ตาเอียงก็ได้ถ้ามักโกรธมากตาก็ไม่ค่อยดีไปตามเขาบอกว่าใครที่เคยมองคนอื่นด้วยสายตาที่เหยียดยามมองเหล่แลบเหล่มองด้วยโทสะนะเคยนว่านั่นแหละชาบหน้าระวังนั่ตาเหล่แบบนั้นแหละแต่ว่าสรุปแล้วว่าเหตุที่ทําให้มีตาก็คือความยินดีในสีในภาพที่เห็นทั้งหมดเลยนะตัวยินดีตัวนั้นแหละเป็นเหตุให้มีตา เรียว่าเป็นตัวสมุทัยสมุทัยสัตว์แต่ก็กรรมนะว่าตานี่ไม่ได้เกิดจากตัณหาอย่างเดียวเรกเกิดจากกรรมด้วยเกิดจากอวิชชาด้วยแล้วก็อาหารเป็นต้นที่ในชาตินี้ด้วยเนี่ยนะแต่สําคัญสําคัญที่สุดถ้ายินดีในสีก็แสดงว่าต้องการตาถ้ายินดีในเสียงก็แสดงว่าต้องการหูเขาบอกว่าตอนนี้เลิกยินดีและเอาไอ้ที่ยินดีก่อนๆไปเก็บไว้ไหนเนี่ยนะยินดีวันก่อนๆด้วยนะ ถ้ายินดีในกลิ่นก็แสดงว่าต้องการจมูกใช่ไหมถ้ายินดีในรสอร่อยอร่อ ย, ออยก็แสดงว่าต้องการลิ้นถ้ายินดีในโอ้โหอากาศดีจังนะวันนี้อย่างเงี้ยร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวไอ้ถ้าต้องการแบบนี้แสดงว่ายินดีในยินดีในกายถ้ายินดีในธรรมารมก็แสดงว่าต้องการใจอีกต่อไปเพราะฉะนั้นโอหวัตทุกข์มันจะไปจบที่ไหนเนาะตันหานี่แหละเป็นตัวสมุทยัยเป็นตัวก่อเชื่อแห่ง ทุกทั้งหลายเหล่านี้นะทุกกอทนได้นะสนุกดีอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่มั้งเนาะปัญญาไม่เกิดก็เลยบอกว่าสนุกดีออกแต่ที่ไหนได้มัมนมันน่าําคานเหมือนกันนะมันน่าเดน็ดเหนื่อยนั้นตัณหาที่มีมาแต่พบก่อนที่เป็นปัจจัยให้ดวงตาเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าจัคโคสมุทยัยความไม่เป็นไปแห่งจัคโคและจัคโคสมุทยัยทั้งสองนั่นแหละเป็นนิโรธ ถ้าไม่มีตันหาจากักขโคจะเกิดขึ้นไหมไม่เกิดนะพระอรหรนันต์นี้ท่านไม่มีตันหาเพราะฉะนั้นในภพต่อต่อไปท่านจึงไม่มีจกักขโคเพราะท่านไม่มีภพอื่นอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนิโรธหรือพระนิพพานนี่แหละคือความไม่เป็นไปของทั้งจกักขโคและจกักขโคสมุทรัยไม่มีทั้งทุกขและทุกขสมุทรัยทีนี้ปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้นิโรธหรือพระนิพพาน นั่นแหละเป็นมักขสัตมักขสัตเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ทรงแทงตลอดจักสุ